เรามีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอแล้วก็คือเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดการตลอดเวลาหลวงพ่อชาสุภัทโทถ้าหากว่าเรามีสติ มีสัมพััญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆแล้วล่ะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาบทความนี้เป็นบทสรุปที่ดีมากหลวงพ่อช้าท่านได้ ก, กล่าวเอาไว้ก็มีญาติธรรมบางท่านนำอาบทความนี้มาให้ซึ่งมันเหมาะกับช่วงแห่งการเจริญสติของเราเพอดีเลยเพราะว่า ยนใดที่เรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ อ, อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นปกติจิตที่เป็นปกติกายวาจาก็ปกติไปด้วยกายวาจากปกติเราก็เรียกว่าศีลศีลมีครบบริบูรณ์เลยอันนั้นคือส่วนกายส่วนวาจาใ น, นส่วนจิตใจที่เป็นปกติจิตขนาดนั้นเนี่ยก็จะเต็มพร้อมไปด้วยสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิและก็เป็นปัญญาคือมีความรู้สึกตัวรู้กายรู้จิตความเป็นปกติของจิตของกายนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะัานการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ยากแต่แต่ละวันเนี่ยเราสามารถรักษาใจใเป็นปกติได้ด้วยการรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหว หรือรู้สึกตัวอยู่ที่จิตใจที่มันคิดมันนึกคอยดูคอยรู้คอยสังเกตก็เป็นความเพียรมีทั้งความเพียรมีทั้งสติสัมปชัญญะก็รวมเป็นการปฏิบัติธรรมได้ในแต่ละวันการปฏิบัติธรรมสรุปลงที่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยเราได้นชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นมากมายอย่างน้อย จิตใจเราก็ไม่ปกติคนที่เวลาเกิดปัญหาและจิตใจเป็นทุกข์นั้นแสดงว่าเราขาดความรู้สึกตัวแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเสมอๆทุกข์จะไม่เกิดปัญหามีแต่จะคลี่คลายออกไปเนี่ยโ่งอกโรงใจก็เพราะมีความรู้สึกตัวนี่แหละเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันย่อมมีปัญหาต่างๆมากระทบมากระเทือนจิตกระเทือนใจตลอดเวลาปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมปัญหาหน้าที่การงานปัญหาตัวเราที่เกิดจากกายที่มันปิดปกติหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแม้กระทั่งความตายปัญหาท่อน้านจิตใจสิ่งตัวเราสร้างขึ้นมาเองบ้างหรือผู้อื่นนำมามาฝากไว้บ้างประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักคือความไม่ได้ดังใจหรือพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอันนี้ก็คือปัญหาทนานจิตใจ เราก็เคยได้สัมผัสมาบ้างแล้วแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้เท่าทันรู้ทันปัญหาแล้วก็สติสัมปชัญญะยังช่วยที่จะให้เราเข้าไปแก้ไขหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นอย่างถูกต้องโดยละมุนละม่อมปัญหาก็จะคลี่คลายไปอันนี้เป็นผลแต่ถ้าหากว่าเรา มีแต่ความหลงลืมสติไม่มีความรู้สึกตัวอยู่เมื่อชีวิตมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีแทนที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาแต่กลับเพิ่มปัญหาเพิ่มภาระให้กับจิตใจเราเยต้องแบกรับปัญหานันไปด้วยปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขแต่กลับเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อเราจะดับไฟ่แทนที่จะเอาน้ำไปดับกลับเอาน้ามันไปราด ไฟมันก็รุกชโชนโชดช่วงชั่ตวนันเพราะเราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกทางกายความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทุกๆ ท, ท่านเนี่ยไม่สามารถจะหลีกหนีได้กายเป็นทุกข์จิตใจก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยไปคิดปรุงแต่งอืมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างงี้ไม่น่าจะเป็นที่ตัวเราเลยนี่มันน่าจะแก้ไขได้ รุงแต่งเพิ่มภาระทางด้านจิตใจไม่ได้ช่วยแก้ไขทางด้านร่างกายด้วยและจิตใจก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขทุกทางกายแต่จิตใจนี่ยกับเพิ่มภารเป็นทุกข์หนักและไม่ทุกข์นี่มันมากยิ่งขึ้นทวีคึ้นมากิ่งขึ้ น, น, นอันนี้เพราะว่าเราขาดสติขาดปัญญาแต่ถ้าเรามีสติสักหน่อยเราจะรู้ว่าอ๋อธรรมดาเนาะเรื่องของกายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้แหละถ้ากายมันไม่ป่วยมันก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืน มันต้องต้องป่วยเป็นธรรมดาเห็นไหมอย่าว้าใจเราก็ค้นจากปัญหาที่จะเป็นทุกข์ใจได้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราเปัญหาก็จะคลี่คลายไปได้หรือปัญหาทางด้านจิตใจสําคัญนะเนี่ยมันสร้างความทุกข์มากเช่นว่าบางครั้งเราอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างซึ่งบางทีเราก็ไม่ใช่ต้องการใช้เกิดปัญหาแบบนั้น แต่ความเข้าใจผิดบางอย่างทำให้ปัญหานั้นมากยิ่งขึ้นเช่นว่าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราอยากจะอธิบายอยากจะทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นอย่างไรต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรพยายามจะไปอธิบายให้เขาเข้าใจแต่บางทีคำพูดของเราเนี่ยเจตนาดีแล้วนะแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่เราเข้าไปสัมผัสเข้าไปแก้ไขบางทีมันไม่ปกติพูดหรือความอยากให้เขาเชื่อ หรือต้องการเอาชนะหรือเอาถูกเอาผิดให้เรามีเหตุผลเหนือเขาอะไรนี่นะใครเขายอมจำหนนด้วยเหตุผลเนี่ยสำคัญนะจิตใจที่ไม่ปกติเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยโอ้แทนที่จะแก้ปัญหากลายเป็นเพิ่มปัญหาทําให้ทิฏฐิมานะของผู้ฟังในมากยิ่งขึ้นกลายเป็นทะเลาะเบาแว่งกันมีอยู่บ่อยๆคนใกล้ตัวเราก็มีนะคำอธิบายบางอย่างแม้ว่าจะมีเหตุผลดีแต่ถ้าจิตใจเราไม่ปกติ คำอธิบายนั้นมันก็อาจจะอ่อนกำลังลงหรือด้อยค่ารอยราคาไปเลยก็ได้มีหลายครั้งที่บางคนเจตนาดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังกลับกลายเป็นเห็นเป็นสิ่งที่เจตนาร้ายหรือทับถมนอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาแล้วกลับเป็นการเพิ่มปัญหาหมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติเราก็จะแก้ปัญหาด้วยทิฏฐิมรณะหรือตัวตน คือิที่ไม่ปกติเข้าไปแก้ปัญหาแล้วนะัมันก็ไม่สําเร็จประโยชน์เหมือนอย่างกับเอาน้ําสกปรกไปล้างสิ่งสกปรกก็มีแต่เพิ่มความสกปรกมากยิ่งขึ้นปัญหาไม่แก้ไขแต่ว่าเพิ่มปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรักษาใจใเป็นปกติสัก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหานะบางทีใจที่เป็นปกติเนี่ยมองทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นปัญหาก็ได้นะ ถ้าใจที่เป็นปกติเข้าไปแก้ปัญหาปัญหาก็จะคลี่คลายไปเหมือนอย่างกับเอาน้ำสะอาดไปล้างสิ่งสกปรกมันก็จะมีแต่วันที่จะสะอาดนะความสกปรกก็จะหมดไปถ้าไม่หมดไปก็จะไม่เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้นเพราะเราแก้ปัญหาด้วยจิตใจที่เป็นปกติคือแก้ปัญหาด้วยปัญญาอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้เราอาจจะคิดได้หรือ จำจากตำรามาใช้ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกก็ได้แค่ความคิดเราต้องมีการฝึกในชีวิตประจำวันฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอเพื่อจิตใจเนี่ยเขาสู่เพราะที่เป็นปกติการเจริญสติจะทำในรูปแบบก็าตามหรือนอกรูปแบบการใช้ชีวิตประจาวั น, เ, นเราต้องสังเกตดูใจเรา การปฏิบัติต้องทำด้จิตใจที่เป็นปกติเริ่มต้นจากความเป็นปกติของจิตทำใจเป็นปกติทำแบบผ่อนคลายสบายๆเนี่ยฝึกทำใจให้มันสบายๆแบบผ่อนคลายซะบา้างเป็นการเพิ่มพลังจิตเพิ่มพลังใจของเราเมื่อจิตใจมันผ่อนคลายสบายๆเวลากระทบอารมณ์เนี่ยจิตมันก็พลอยที่สบายไปด้วยนะอารมณ์นั้นก็ไม่รุนแรงไม่เพิ่มภาระต่อน่จิตใจ ไม่ปล่อยให้ปัญหาต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆมาทวงจิตทวงใจให้มันเครียดมันหนักเพราะใจเราเริ่มต้นจากความสบายๆเป็นปกติอยู่ก่อนอย่าบังคับว่าเธ อ, ออย่าพูดอย่างนั้นบางคนนี่จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งอาจจะพูดว่านี่ฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมเธออย่ากโกรธนะเห็นไม่มมีการบังคับไปเพราโกรธการพูดเ็นเรื่องของเราเห็นว่าการพูดนีดีแล้ว เรื่องความโกรธไม่ใช่เรื่องเราที่จะไปห้ามเขาให้โกรธจงครามโกรธเป็นเรื่องของเขาคือ <c ười> อย่าไปบังคับอย่าไปฟื้นอะไรทุกอย่าง <c ười> โดยเพราะความคิดความปุงแต่งต่างๆอย่าไปบังคับ <c ười> ถ้าเราไปบังคับแม่มันคิดเนี่ยมันจะเครียด <c ười> ก็ปล่อยให้ใจิตใจเราคิดหลายคนอื่นเขคิดหลายคนอื่นก็พูด <c ười> แล้วก็คอยมีสติรู้ไว้แม้ว่าความคิดนั้นจะเกิดขึ้นแล้ก็อย่าไปหักห้าม <c ười> แล้วก็อย่าไปตามนะการตามความคิดการเชื่อความคิด ทา ใ, ใจิตใจเราเนี่ยลหลงลืมเพลออย่าไปตามอย่าไปห้ามแล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในความคิดการเข้าอยู่ในความคิดเนี่ยอันตรายมากเท <threatening S 2> ่ากับเป็นการแบกความคิดไว้ในจิตใจเราเลยจิตใจมันจะหนักมากเราเป็นความคิดความคิดนี้เป็นของเราเราเป็นผู้คิดมันเป็นเราหมดเนื้อหมดตัวไปเลยเราก็จะเป็นทุกข์นะอย่าไปห้ามอย่าไปตามอย่าเข้าไปอยู่แต่ คอยรู้มันเท่านั้นเมื่อเรารู้เราก็มีสติแล้วจิตก็เป็นปกติแล้วอย่าไปสร้างความหวังว่าจะได้อะไรจากการกระทําในครั้งนี้การสร้างความหวังเป็นการมุ่งหาผลที่ยังไม่เกิดขึ้นใจเราก็จะเป็นทุกข์อีกแล้วทั้งการปฏิบททัติธรรมทั้งการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่าไปสร้างความหวังอะไรไว้แต่ถ้าจิตมันคิดหวังมันมีความมุ่งมั่นมีความยึดมั่นว่าจะต้องได้แน่นอนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะ ไม่ต้องมีอาการแบบนี้ความคิดแบบนี้เราไม่ต้องเชื่อก็ได้นะเราก็รู้เหมือนอ๋อนี่จิตใจเรามันเกิดความโลภไปนะอยากได้อยากมีอยากเป็นระนาเนี่ยให้มีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราอย่าไปเอาเหตุเอาผลการปฏิบัติก็ดีการพูดคุยกับใครก็ดีนี่การยกเหตุยกผลเนี่ยบางทีมันทาให้เพิ่มภาระมีปัญหามากยิ่งขึ้นก็ได้เอาเหตุเอาผล เอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะเนี่ยไหมถ้าชนะก็หญิงพยองถ้าแพ้มันก็มีความเศร้าหมองในจิตใจโดยพอยิ่งการเจริญสติเราจะเจ้าเหตุเอาผลไม่ได้เอาถูกเอาผิดไม่ได้เหตุผลบางอย่างเนี่ยมันทําให้จิตใจเราเนี่ยต้องเป็นทุกข์ต้องแบกภาระเหตุผลเป็นผู้ถูกอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ เ, เหตุผลเป็นเรื่องสมมุติการถูกการผิดเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องตัวตนน ถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ถูกต้องใช้ด้วยสติบางครั้งเหตุผลเนี่ยใช้ไม่ได้มันต้องเหนือเหตุเหนือผลสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีแพ้ไม่มีชนะโดยเฉาเรื่องการเจริญสติสติไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีแพ้ไม่มีชนะการปฏิบัติเนี่ยมีสองอย่างสรุปแล้วนะคือมีรู้กับหลงมีตัวรู้กับตัวหลงซึ่ง เล่นอยู่ในสนามในจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรามีตัวรู้คือมีความรู้สึกตัวมีสติเกิดขึ้นตัวหลงหรือความหลงมันก็หายไปตัวรู้นี่คลองจิตคลองใจแต่ยามใดที่เรามีความหลงคือเผลอไม่รู้สึกตัวเนี่ยตัวหลงมันก็คลองจิตคลองใจตัวรู้หรือตัวที่เก็สติมันก็หายไปชีวิตเรามีสองอยา่างมีรู้กับหลงถ้าหลงมากเราก็ทุกมาก ถ้ารู้มากทุกมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ถึงรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นการเพียนการสร้างการเจริญเนี่ยขยันรู้ขยันสร้างขยันเจริญรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานพองใสสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่เราไม่ต้องหาที่ไหนความสุขเนี่ยเรียนรู้ได้จากความทุกขจากปัญหานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนพุทธภาษิตนะเคยบอกไว้ว่า แน่เธอทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับไม่เหลืออย่างทุกข์ก็ดีหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือองทุกข์ก็ดีเนี่ยตถาคตเนี่ยบัญญัติเอาไว้ในกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจของคือที่ตัวเราที่กายที่จิตของเราเนี่ยอย่าไปหาไกลอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองสุภาษิตกล่าวไว้สวยงามมากเป็นสุภาษิตเก่าๆ เ, เนี่ยทางภาคใต้เนี่เคยได้ยินมา ถ้กลับไปว่าคนดีๆเนี่ยค้าใกล้ๆคนบ้าใบ้ค้าไกลๆเพราะนั้นอย่าไปหานอกตัวที่ใดที่นี่แหละที่กายที่ใจของเรา